คุนายจ้างอึ้งไปอีกครั้งกับริบตาอยู่ปริดปริดเชิดพุตรสกิจระพินพูดเสียงอ่อยๆว่าอะไรก็ช่างเถอะขออย่าให้ปืนแตกระเบิดใส่หน้าตัวเองก็แล้วกันในกรณียิงอย่างอื่นน่ะจอมพรานยิ้มขึ้นขึ้นผมก็รับรองไม่ได้เหมือนกันครับในข้อนั้นถ้าหากว่าคุณจะเอาเปืนและกระสุนชนิดนี้ไปยิงเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในด้านดีงามอย่างเช่นยิงปูชนียสถานปูชนียวัตถุหรือไปลองพระตะกรุดด้วยเหล็กไหลจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เราไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าสถิตอยู่ที่ไหนในทิศทางที่ปากกระบอกปืนเราหันไปอ้าวไอฮาดิเชิดบุตกระซิบเบาที่สุดทั้งสองพูดกันเองซุบซิบในภาษาไทยฝ่ายมริกันไม่ได้สนใจด้วย องหันไปพูดอะไรกันเองในหมู่แล้วก็ยืนยันอยู่เช่นเดิมว่าจะส่งกระสุนปืนทุกชนิดที่ฝ่ายตนใช้ยอยู่ให้บุญคำปลุกเสกให้ขณะ น, นี้บนลานดินเบื้องล่างเต็มไปด้วยพวกลูกหาบกะเหรี่ยงตะเคียนทองซึ่งกำลังเตรียมและทำงานแข่งกับเวลาอยู่พร้อมที่จะตั้งขบวนอพยพแล้วรพินตะโกนสั่งความ ให้เร่งทยอยลำเลียงข้าวของสัมภาระทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของนายจ้างหรือของกเกรียงพวกนั้นลงไปกองรวมกันอยู่ข้างล่างโดยไม่ชักช้าและชวนกลุ่มนายจ้างของเขาลงไปสมทบทันทีผมไม่เวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับใครจะอาบน้ำหรือจัดการกับตัวเองเพื่อความสะดวกสบายยังไงก็เชิญได้ตามเวลานี้ครับหลังจากนั้นแล้วเราจะเริ่มเดินทางกันตลอดระยะทางของวันนี้ ทราบไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับว่าเราอาจถูกดักโจมตีตรงจุดไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งสิ้นอาจจะโดยกองทัพช้างและเล่กลนต่างๆของมันเพราะจุดอ่อนของเราก็คือกระเรียงอพยพส่วนใหญ่ที่ไปด้วยอันเป็นภาระที่เราต้องรับผิดชอบปกป้องไว้ด้วยเนื่องจากพวกนี้ป้องกันตัวเองไม่ได้และก็มีอยู่เป็นจานวนมากครับทุกคนรับรู้และชวนกันไปที่ทาน้า รวมทั้งเชิดบุตรด้วยพรานใหญ่สั่งให้จันเสรยและเกิดทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงตามลงไปสังเกตการด้วยแล้วเรียกบุญคำเข้ามาหาพร้อมทั้งบอกให้ทราบว่ากลุ่มนายจ้างอเมริกันต้องการเช่นไรตาเท่าเอามือลูบหัวอ้าปากหวอฮะนายไอ้ฝรั่งพวกนั้นมันยอมเชื่อเลยเออเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ละแต่บังคับให้ฉันสั่งบุญคาให้ทาให้ ทุกคนพวกนั้นน่ะปลอดแหกรักตัวกลัวตายด้วยกันทุกคนนั่นแหละตอนนี้บุญคําก็ทําหน้าที่เป็นพระอาจารย์ไปก็แล้วกันประเดี๋ยวก็จัดการเลยจะไปตั้งป ร, รำทําวิธีบ้บาอะไรของบุญคําำที่ไหนก็ตามใจแต่แไปทไําให้รับรับตาหน่อยนะไอ้พวกนั้นเห็นเพราะไม่งั้นในเรื่องกางเกงในสองตัวของสองแหม่มที่หายไปนั่นก็จะถูกเปิดผอเผยออกไปว่าบุญคําน่ะเป็นคนขโมยใบทําป้าเช็ น, น้า บุญคำกระโดด ต, ตัวลอยตาเหลือกรองลัง่นหุยนายอย่าไปบอกเรื่องนี้ให้แม่มคริสก็แม่มเบลรู้ไปนั้นขาดทีเดียวน่ะก็เดียวไอ้คำก็ถูกด่าเปิมแล้วก็แม่นายพูดอะไรก็ไม่รู้บุญคำไม่ได้ขโมยไปทำบ่ายเช่หน้าซกตันหน่อยหวังหว ง, วงก็แข่อแอบเอามาดมดมดุมั่งเท่านั้นมันก็ชื่นใจดีนะนายกรีนเหมือนเลยแข็งผสมผักชีดีรา ได้กลิ่นและเสียวท้องน้อยเราพินตบฉากที่ต้นคอแก่จนหัวขมำไปไม่กล่าวอะไรอีกเดินไปตรวจ ด, ดูความเรียบร้อยของขบวนอพยพทันทีไม่เกินสี่สิบห้านาทีถัดจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างของขบวนอพยพก็เสร็จเรียบร้อยทั้งขบวนคนและขบวนแบกหามกลุ่มกระเหรี่ยงตะเคียนทองที่โบเมียเป็นหัวหน้า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 ลูกหาทั้งสิบคนอันรวมทั้งอุทะและพระโต้ซึ่งยอมตัวเข้ามารับใช้แทนทั้งสองคนที่เสียชีวิตไปแล้วลดภาระในการแบกน้ำหนักลงเพราะพวกนั้นช่วยกันแบกหันแทนดังนั้นจึงถูกกำหนดหน้าที่ให้เป็นพรานคุ้มกันพร้อมเสมอที่จะปะทะกับอะไรทั้งสิน้นถ้าหากว่ามันจะโผ่พรวดพลาดออกมาโจมตีระหว่างที่กองคารวานใหญ่ จำนวนคนรวมทั้งสองฝ่ายแล้วก็เกินครึ่งร้อยขึ้นไปอันจะเดินเป็นแถวยาวเหยียดไปในดงทึบเนื้อช้างที่พวกนั้นแร่ใส่เกลือบางๆตากไว้ตั้งแต่เมื่อคืนซึ่งปรากฏว่าถูกทำลายเสีหมดสิน้นก็เป็นการลดภาระไปอีกส่วนหนึ่งเพราะถ้ายังอยู่ก็จะต้องใส่กระสอบแบกกันไปไม่ต่ำกว่า 3- สกระสอบน้าหนักอย่างน้อยก็2 3ร้อยกิโลขึ้นไป เสอเอิงนะ่ะยังไม่ได้รับอนุญาตจากหมอเบลให้ต้องเดินไปเองสำหรับวันนี้เพราะอาการเพียงแค่ทุเลาและเพิ่งจะพ้นขีดอันตรายเท่านั้นแผลที่เย็บไว้เรียบร้อยแห้งสนิท ด, ดีแต่ก็ยังไม่ถึงกำหนดที่จะตัดไหมดังนั้นเจ้ากระเรียงที่รอดชีวิตมาได้อย่างวุดหิดจึงถูกสั่งให้นั่งไปบนแคร่หวถักมีพักพวกช่วยเหลือแบกหามไปด้วยอย่างรักใคร่สามัคคีกันอย่างที่สุด บุญคำนั้นก็ทำพิธีปลุกเสกลูกปืนที่ใช้กระไรเฟินประจำตัวของฝ่ายนายจ้างอเมริกันเสร็จเรียบร้อยตามขบวนการของแกแจกแข่งหรือมิตริทได้แค่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันสำหรับประพินและแกก็ขนมากองรวมไว้เพื่อให้นายฝรั่งทั้งหลายเลือกเอาเองประสุนที่นำเข้าพิธีปลุกเสกไม่เพียงแต่ไรเฟินขนาดใหญ่ของหัวหน้าคณะและคีทเท่านั้นแม้แต่ลูกปืน M16 หหลายร้อยนัด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 เดินกลับขึ้นมาถึงที่ตั้งของขบวนอันรอคอยอยู่แล้วบุญคําก็ชี้บอกคนเหล่านั้นให้ตรงเข้าไปหยิบเลือกกระสุนและบรรจุลงตัวปืนด้วยความรู้สึกอันประหลาดประหลาดยังไงบอกไม่ถูกส่วนหนึ่งใส่ในเป้หลังสำรองไว้เหลือนอกนั้นก็ให้นําไปเก็บรวมกับคลังกระสุนส่วนกลางระหว่างที่กลุ่มนั้นจัดการบรรจุกระสุนเข้าแม็กกาซีนไตรเฟือนอยู่แต่เท่าเจ้าเล่ย์ยืนกอดอก ปันหน้าเครค่งครึมดูศักดิ์สิทธิ์เต็มที่มองดูอยู่ใกล้ใกล้บุญคันศักดิ์สิทธิ์แน่น่ะลูกปืนที่ทำให้เหล่านี้นะสแตลลีชำเลืองมองแล้วถามขึ้นยิ้มยิ้มรับรองสินายห่างตูมเดียวปืนแตกเอ้ยไม่ใช่ตูมเดียวนะผีนรกไม่ว่าตัวไหนตัวนั้นน่ะหกคเมนเคเ ก, เกไม่มีวันลุกขึ้นมาได้อีกแล้วผีสางแม่นางโกง เสือสมิงเพ่นหนีหัวหดหมดูดเจ้าปลาเจ้าเขาปีศ า, ราจาร้ายเจ้าคือทาไม่แน่จริงก็แหลงกระเจิงรอหน้าไม่ติดรอกแกพูดหน้าตาเฉยเอ้บุญคำนี่เก่งมากนาะในเรื่องอย่างนี้เนะ่คริสติน่าพูดพร้อมกับยิ้มนิดๆเสียบแมกกาซีนเอ็มสิบหกเข้าตัวปืนแล้วกระชากขึ้นลำใส่ห้ามไกลไวเก่งกว่านายระพินซะอีกนะเฮย บุญคำนะ่ะมันชั้นขีดทูดถ้าเปรียบกับนายรบพินอีของง่ายๆพันนี้นะ่ะแกจะทำก็ทำได้เว้นแต่แกไมย่ยอมทำเท่านั้นแหละแกกลัวตกนรกเออนี่สมมติว่าฉันหันปากระบอกไปทางบุญคำแล้วเหนียวไกลบุญคำเป็นคนมีเวทมนต์อาคมศักดิ์สิทธิ์ปืนของฉันนี่คงจะทำอะไรบุญคำไม่ได้สินะถ้ายิงลํำกล้องก็คงจะแตกนะเบนพูดในลักษณะกระซา แล้วลดปากลำกล้องเอ็มสบในมือบรรจุลูกพร้อมแต่ยังไม่ได้ขึ้นลำกี่ลำตัวยาวแกเล่นแต่พราณเท่าสะดุ้งโยงแหกปากร้องลั่นกระโดดหลบหลังในคิดตัวโตทันทีกดแดมแกตะโกนด่าสรงเดชเป็นงั้นเองไม่รู้ความหมายอะไรหรอกอาศัยเคยได้ยินบ่อยๆ อ, อย่าเล่นบา้บาๆนะในแมแมเบลไอปืนปากก็บอกไม่แตกหรอก ทุงบุญคำตาหากสิจะแตกว่าทำห า, หาอะไรพันนี้ก็ไม่รู้ทุกคนในกลุ่มหัวเราะกันขึ้นอย่างคบขันสนุกสนานเป็นครั้งแรกพอดีกะทิรพินสาวเท้าตรงเข้ามาการุณาอย่าลอกันเล่นด้วยปืนครับขอที่ครับหังเสียงของเขากระด้างผิดไปเบนยิ้มจิตจืดตวัดปืนขึ้นสะพายไหลแหมกลัวไปได้ ฉันยังไม่ได้เอากระสุนเข้ารังเพลิงเลยหล่อนบอกเสียงอ่อยๆกระสุนจะขึ้นรังเพลิงหรือไม่ตัวปืนจะบรรจุกระสุนหรือไม่ไม่สำคัญครับมารยาทของนักใช้ปืนทุกคนที่จะต้องรู้จักก็คือจะไม่หันปากกระบอกปืนไปทางใครทั้งสิน้นยกเว้นแต่เจตนายิงเท่านั้นทุกคนพร้อมหรือยังครับประโยคหลังเขาถามไปทั่วๆ โอเคพร้อมหัวหน้าคณะบอกพร้อมกับมองไปยังขบวนของเกรียงอพยพที่ตั้งแถวกันเป็นระเบียบ พ, พอสมควรคอยอยู่แล้วบ้างก็ยืนบ้างก็นั่งแถวเรียงสีบ้างเรียงสองหรือเรียงสามบ้างแต่ก็เป็นรูปขบวนของการชักแถวคารวานทำให้บรรยากาศของการเดินทางวันนี้รู้สึกอบอุ่นอย่างยิ่งเนื่องจากมีจานวนคนมาก ค, คึกคักและเกรียงพวกนั้น ล้วนมีสีหน้าแช่มชื่นเต็มไได้วยกำลังใจสูงไม่สะดุ้งกลัวหวาดวันใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากรู้แน่ว่ดดาการเดินทางเคลื่อนย้ายครั้งนี้ไปพร้อมกับขบวนของพลานใหญ่ระพินซ้ำยังมีอาวุธพร้อมั้งนั้นเราก็เคลื่อนย้ายกันละครับเขาบอกน้ำเสียงลึกกังวานแจ่มใสขึ้นแสดงถึงสุขภาพเพียบพร้อม แต่ผมต้องขอทาความเข้าใจอีกสักครั้งนะครับสำหรับการเดินทางในวันนี้ขณะที่พูดสุภาพบุรุษไพรหันไปทางแถวขบวนยาวเหยียดอีกครั้งก็อย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่แล้วนี่นะครับเราไปกันเป็นคาราวานใหญ่ทีเดียวสัมภาระร ก, ก็มากเพราะฉะนั้นการเดินไม่สามารถจะทเวลาได้แน่นอนและเราไม่สามารถจะตัดทางไตไปตามหนทางที่ค่อนข้างลาบาก เช่นปีนหน้าผาไต่ข้ามหิวหรือเลาะไปตามไหล่เขาแคบๆเสี่ยงอันตรายได้นอกจากจะอาศัยเดินไปตามแนวป่าทึบบ้างโปร่งบ้างซึ่งก็อ้อมหน่อยแต่ปลอดภัยต่อการเดินมากกว่าเราจะมุ่งตะวันออกเฉียงเหนือตัดดงที่เห็นอยู่ข้างหน้านอนไปโดยมุ่งเข้าในระหว่างภูเขาลักษณะเหมือนหลังเตาสองลูกหนึ่ง เขาชีมือให้เห็นจุดหมายอันเป็นยอดเขาลิบลบิมองเห็นเป็นทิวเขียวอยู่ในระหว่างยอดป่าทึบทะมึนพ้นจากช่องเขานั่นไปแล้วก็จะเข้าเขตดงทึบอีกบริเวณหนึ่งเรียกว่าหุบหมาหอนซึ่งเป็นบริเวณก้นกระทะกว้างใหญ่มากเข้าใจว่าจะคําที่นั่นและ ว, วันนี้จะยังไงเสียก็ไม่มีทางจะเข้าถึงห้วยเสือร้องอย่างแน่นอนครับเราจะเดินกันตามสบาย แต่ก็จะต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวย่างครับเอาละเอาละผมเข้าใจว่าแต่เราจะคุมขบวนกันในลักษณะไหนละ่ะระพินหัวหน้ า, นาคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียสักซอ้อมขึ้นเอางี้นะครับพอเริ่มออกเดินผมจะให้บุญคำกระบวมี้ไปนำอยู่ข้างหน้าส่วนจัน์เกิดเสยแล้วก็พวกลูกหาบของเราทั้งหลายจะแยกกันออกเดินคุมทั้งสองด้านกองคารวาน พวกเราทั้งหมดรวมทั้งผมด้วยนี่จะเดินรวมหมู่กันไปท้ายขบวนส่วนจะสับเปลี่ยนกันยังไงต่อไปก็สุดแล้วแต่ภูมิประเทศและเหตุการณ์ครับอ่ะตกลงสแตลลี่พังโงหัวลงอย่างง่ายงานัซิก้าขึ้นมาตัวหนึง่งใส่ปากกัดไว้อีกตัวหนึง่งส่งให้ระพินขณะนั้นเสียงคีตก็เอ่ยมาต่ ำ, ตำว่าเออแล้วเรื่องสุสานป่าช้ามัมมี่ของนิทรานครละ่ะ เรื่องนั้นเราจะเริ่มค้นหาภายหลังจากส่งกระเรี่ยงพวกนี้ที่ห้วยสือร้องแล้วครับคือหมายถึงว่าเราได้พละออกจากห้วยสือร้องซะก่อนซึ่งก็แปลว่าขณะนั้นเราเข้าเขตป่าดึกดําบรรที่เรียกว่าดงดําหรือดงแห่งมรณะแล้วกล่าวจบแค่นั้นกระพินไทรวันก็ชูมือขึ้นสูงเสียงตะโกนของเขาดังกล้องไปทั้งภูเขาที่ชุมนุมกันอยู่เป็นประโยคสั้นๆในภาษาชาวเขา แล้วบกมือลงสิ่งที่ฝ่ายก ร, รียงฝ่ายสิ่งที่ฝ่ายนายจ้างเห็นก็คือคารวานของกะเรียงตะเคียนทองเริ่มลุกขึ้นจากอาการนั่งอยู่ในทันทีหาบคอนก็เริ่มขึ้นบา่าแล้วขบวนก็ออกเคลื่อนไปอย่างง่ายๆโดยมีบุญคำและนายบ้านโบเมียสาวเท้าพรวดพรวดเดินตัดขบวนไปนำอยู่เบื้องหน้าซึ่งหายลับไปจากสายตาในชั่วไม่กี่อึดใจ จันเกิดเสยและพวกลูกหาบทั้งหลายก็เริ่มกระจายกันออกจนกระทั่งท้ายกระบวนล่าสุดที่ออกเดินตามกันไปโดยผ่านซากช้างที่นอนขึ้นอึดทึศระเนระนาตเต็มพื้นที่ไปหมดหมุ่งลงสู่ดงด้านล่างอันเป็นคนละทางกับด้านซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านร้างหน้าผาที่ใช้อาศัยเป็นที่หลบนอนหลีกภัยอย่างตั้งเป็นกำแพงทมึน ขวางอยู่ทางฝั่งขวามือเมื่อนั้นทั้งหมดของฝ่ายนายจ้างจึงเริ่มออกเดินกันไปเป็นหมู่ตามหลังขบวนสุดท้ายของกระเลียงอพยพโดยมีระพินเดินร่วมอยู่ด้วยอัตราการเคลื่อนที่ไม่ถึงกระชาเกินไปนักแต่ก็ไม่ได้เร่งรีบผิดไปจากการเดินตามปกติของคณะในทุกครั้งระพิน มีอะไรที่คุณยังปิดบังเราอยู่ขอถามอีกสักครั้งนะครา้นี้คุณจะบอกเราตามจริงได้หรื อ, อยังนะคริสผู้ละเอียดและช่างสังเกตจดจำมากที่สุดในคณะรองลงไปจากสเตนลีพูดขึ้นในลักษณะชวนสนทนาขณะที่ต่างเดินรัวหมู่กันไปอะไรดหะครับคุณจำบาบวันก่อนในป่าไผ่เหนือซับบอนได้ไหม บ่ายวันแรกที่ขลงไห้งาดำเขาเล่นงานเราระหว่างที่หยุดพักเพราะช่วยเหลือเสอเอินั่นสิทำไมล่ะครับก็บ่ายวันนั้นน่ะหลังจากที่เราประจันหน้ากับขลงช้างที่บุกเข้าโจมตีและพวกช้างแตกหนีไปแล้วคุณได้หายไปจากกลุ่มของพวกเราทางด้านเราเรียกคุณทางวิทยุพักใหญ่ทีเดียวคุณถึงได้ตอบมาโดยบอกว่าคุณอยู่ที่ลาห้วยห่างออกไปเล็กน้อย แล้วคุณก็ขออนุญาตพูดวิทยุกับบุญคำขณะที่พูดกันนั้นก็ใช้ภาษากระเรียนที่เราฟังไม่รู้เรื่องพักเดียวบุญคำก็หลบแวกตามคุณออกไปเอาละ่ะตรงนี้ขอถามละคุณเรียกบุญคำออไปไหนจังจักพิรุธเก็บความสงสัยมาตั้งแต่วันนั้นแล้วซึ่งมาถามคุณคุณก็กลบกลืนไปต่างๆวันนี้เดี๋ยวนี้ คุณพอจะบอกความจริงกับพวกเราทั้งหมดได้แล้วหรือยังทานใหญ่ฝืนยิ้มให้มองดูคนถามอย่างพิศวงคริสติน่าเป็นคนคมวัยและละเอียดอ่อนจริงๆหล่อนจะไม่ยอมให้อะไรผ่านพ้นการสังเกตจดจำไปได้เลยและจากคำถามนั่นเองเรียกความสนใจของฝ่ายหล่อนเองทั้งหมดขึ้นอีกครั้งนี่คุณยังไม่ลืม ยังติดใจเรื่องนั้นอยู่อีกเหล่ากุณฉันไม่ชอบให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับใจตัวเองผ่านพ้นไปโดยปราศจากข้ออธิบายให้กระจ่างไม่งั้นมันก็ต้องเก็บไปคิดอยู่นั่นแหละอะงั้นลองบอกมาก่อนซิคุณสงสัยอะไรแล้วก็สงสัยทำนองไหนก็สงสัยว่าคุณจะต้องพบอะไรที่มันผิดปกติและไม่ประสงค์ใจพวกเรารู้ แล้วก็เรียกบุญคำให้ไปร่วมปรึกษาหารือกันนี่คุณไหนไหนเราก็ร่วมกันมาถึงขนาดนี้แล้วคุณยังคิดที่จะปิดบังอะไรเราอยู่อีกเหรอดีครับคุณถามมาก็ดีแล้วแล้วผมก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ปิดบังอีกต่อไปละแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้คุณทายดูซิว่าผมไปพบอะไรเข้าถึงได้เรียกบุญคาไป ทุกท่านลองทายดูแล้วกันพวกคุณก็ไม่ใช่คนโง่เลยแต่ละคนต่างคนก็เฉียบไวถีบท่วนด้วยกันเพียงแต่ว่าใครจะแสดงออกมาหรือไม่เท่านั้นคิดใชว่าเราเดินคุยกันไปข่าวเวลากันแล้วกันหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มนับจากเวลานี้ไปผมยังรวมกลุ่มอยู่กับพวกคุณแน่ๆนยังไม่ผละแยกไปไหนเดินกันไปพลางคุยกันไปพลางปรึกษาหารือกันไปด้วยไม่เสียเวลาอะไร ผมเองก็ถูกพิจารณาจากพวกคุณมานานแล้วว่าไม่ยอมพูดอะไรบ้างเลยเอาแต่นำทางงุดงุดงุดไปท่าเดียวเอาละครับวันนี้ใครอยากถามอะไรก็เชิญได้เลยเราถามคุณไปแล้วนะวันนั้นแต่คุณบอกว่าคุณตรวจร่องรอยของไอ้งาดาจากฝูงที่ตะลิดไปทางนั้นไงหัวหน้าคณะเปลยขึ้นอิสเบงก็ตอความให้ว่า แล้วเราก็วิเคราะห์กันแล้วว่าคุณมีเจตนาจะปิดบังอะไรบังสิ่งบางอย่างแต่เราไม่อยู่ในฐานะที่จะคาดคันในคุณพูดในสิ่งที่คุณไม่ต้องการพูดในขณะนั้นได้ก็เลยทำไมถึงไม่ได้ลองทายล่ะครับว่าผมอำพรางอะไรไว้เอาล่ะครับผมยอมรับเดี๋ยวนี้ว่าผมกลบเกลื่อนอำพรางจริง <1> 1> คุณพบร่องรอยวิแววของไอ ผีดิบตาชาแต่พวกนี้แล้วใช่ไหมกระพินคีดพโ่องออกมา ท, าทันทีเกือบถูกครับหรือจะเรียกว่าถูกแล้วก็ได้ครับแต่ยังไม่เข้าเป้าร้อยเปเซน์พวกคุณคงตกใจและประหลาดใจถ้าผมจะบอกว่ากระพินเว้นระยะนิดหนึ่งจุดชิก้าของด็อเตอร์สแตนลีย์ที่ให้มาและถือคลึงอยู่ในมือพ่นควันลงต่ง ผมพบไอ้ตัวมหาประลัยในซากของนักรบโบราณตัวเชื่องที่ไอตัวคืนที่สุดนั่นแหละครับนั่งเป็นซากแข็งทื่ออยู่ในซอกหินเหนือลําห้วยฝั่งตรงข้ามใกล้ๆกับเส้นทางที่ใช้จํานวนหนึง่งแตกหนีไปด้านนั้นขณะที่พบผมมันก็เป็นเพียงซากที่เหมือนก้อนหินซากของวัตถุโบราณอันคำนวณอายุไม่ได้มันนั่งพิงก้อนหินอยู่เหมือนกับมีใครเอามาวางไว้ โดยไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นเป็นลักษณะที่น่าจะพิจารณาได้ว่าถูกนํามาตั้งไว้ตรงนั้นไม่นานนักนี่เองก่อนหน้าที่ผมผ่านมาพบครับโดยพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวมันต่างๆผมประหลาดใจมากแล้วก็เริ่มงนงงก็เข้าไปตรวจสอบสำรวจดูซากมันอย่างใกล้ชิดระยะเวลาระหว่างนั้นเองครับที่พวกคุณใช้วิทยุเรียกผม ซึ่งในภาวะเช่นนั้นผมก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะส่งข่าวบอกความจริงอะไรพวกคุณได้เลยในสิ่งที่ผมเข้าไปพบเจอนั้นเหตุผลที่ผมยังไม่กล้าบอกตอนนั้นก็คือหนึ่งผมกําลังใคร่ครวญพิจารณาว่ามันคืออะไรกันแน่โดยยังตัดสินไม่ถูกเพราะพบเข้าอย่างฉับพลันกระทันหันหรือเกินโดยไม่คาดฝันสองผมยังไม่แน่ใจ ว่ามันจะไปเกี่ยวพันอะไรกับไอ้ขลุงของไอ้งาดำหรือเปล่าอาจจะเป็นแต่เพียงซากโบราณอะไรสักอย่างหนึ่งนำมาตั้งทิ้งไว้เฉยๆไม่เกี่ยวพันกับกรณีร้ายที่เรารเผชิญอยู่ 3. ถ้าหากผมบอกความจริงและเรียกพวกคุณเข้าไปร่วมพิจารณาดูอยู่ด้วยในขณะนั้นสารพัดคำถามจะต้องเกิดขึ้นซึ่งผมก็ยังอธิบายกับพวกคุณไม่ได้ จะทาให้เกิดปัญหาที่ผมยุ่งยากใจมากก็เลยต้องเก็บไว้เป็นความลับปกปิดพวกคุณไว้ก่อนไอ้ส่วนที่ผมวิทยุผู้กระ บ, บุนคําเป็นภาษาที่พวกคุณฟังไม่เข้าใจเพื่อให้บุญคําปริกตัวอย่างเป็นความลับไปพบผมนะ่ะก็เพราะผมต้องการจะปรึกษาหารือกระ บ, บุญคําในฐานะที่บุญคําก็เป็นคนสนิทที่สุดของผมเคยร่วมระจนเหตุการณ์มาแล้วเมื่อคราวที่เราผ่านนิทานครครั้งนั้นครับ ตอนนั้นฉันก็สังเกตเห็นแล้วล่ะว่าบุญคํานั้นเลี่ยงออกจากแคมป์ของเราไปพบคุณคริสติน่าพูดช้าๆในขณะที่ทุกคนคอยสดับฟังอย่างตื่นงงแปลกใจครับตอนนั้นบุญคําเลี่ยงไปพบผมแล้วก็เห็นไอ้ซากนั้นด้วยเป็นการเห็นเฉพาะผมกับบุญคําเพียงสองคนเท่านั้นแม้แต่จันร์เกิดแล้วก็เสยอันเป็นคนสนิทของผมอีกสามคนผมก็ไม่ได้แพร่งพลายให้ทราบเลย ตอนนั้นเราสองคนช่วยกันพิจารณาอยู่นานทีเดียวก็ถกกันในปัญหาที่ว่ามันคืออะไรมาตั้งอยู่ที่ตำแหน่งนั้นได้ยังไงส่วนเมื่อไหร่นะ่ะเราดูจากร่องรอยก็บอกได้ตรงกันว่าเมื่อไม่นานนี้นักเราก็เริ่มทบทวนเหตุการณ์แล้วก็ย้อนคิดไปถึงสุสานของนิกานนครที่เราเคยพบกันมาแล้วตอนนั้นก็เริ่มไม่สบายใจเกิดกังวลแล้วก็คิดทายไปต่าง สิ่งที่เราตั้งปัญหากันเองสองคนก็คือเรื่องนี้นะมันเกี่ยวข้องกับขลวงไอ้งาดําที่เข้ามาโจมตีคณะพักเราหยกห ย, ย, ยกหรือเปล่ามันมาจากไหนมันจะเคลื่อนไหวได้หรือไม่เมื่อรับตาเราแล้วผมน่าถึงก็ลงทุนเอามีดประจําตัวขีดรอยที่มันนั่งพิงพื้นหินไว้เป็นเส้นตามตําแหน่งที่มันนั่งอยู่เพื่อให้แน่ใจที่สุดหากเราย้อนกลับมาดูอีกครั้ง และมันยังนั่งแข็งทื่ออยู่ที่เดิมมันจะขยับขยื่อนไปจากตำแหน่งเดิมที่ผมทำตำหนิไว้หรือเปล่าความตั้งใจของผมก็คือรุ่งขึ้นก่อนที่เราจะเดินทางออกจากที่นั่นผมกับบุญคำจะแอบมาดูซากมันอีกสักครั้งหนึง่งแล้วก็จะผละจากซากของมันมาด้วยความรู้สึกอันบอกไม่ถูกบุญคำนะแทาทางแกก็ไม่สบายใจมากกว่าผมสิแต่ผมก็กาชับแกไว้อย่างเด็ดขาด ไม่แต่พูดเรื่องนี้กับใครทั้งนั้นไม่ว่าพวกคุณทุกคนหรือแม้แต่พวกเรากันเองเพราะเกรงว่าจะเกิดเรื่องอึกระเริกวุ่นวายขึ้นก็ภาวนาอยู่ว่าขอให้มันเป็นแค่ซาที่นั่งแข็งทื่ออยู่เช่นนั้นตลอดไปเถอะแล้วเราก็จะออกเดินทางกันต่อไปเดี๋ยวผมจะไม่ปริปากบอกอะไรกับพวกคุณหรือลูกน้องผมโดยจะลืมมันไปซะเองอต่อไปที่ระฟินสแตนลีย์เตือนมา เมื่อรพินยหยุดพูดทั้งหมดยังเดินรวมกลุ่มใกล้ชิดกันอยู่เช่นนั้นท้ายขบวนกองคาราวาัตป่าทั้งป่าเงียบสงบไม่มีวิแววของสัตว์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากแรงนับร้อยที่บินว่อนดำมืดอยู่เหนือขอบผาครับตกบ่ายใกล้คำ่ำผมกำลังนอนพักอยู่บุญคำก็มาสะ ก, กิดบอกผมในเรื่องที่แกไม่สบายใจเป็นอย่างมาก เกี่ยวกับซากที่เราไปพบเห็นนั่นดูเหมือนแกจะมีสังหรณ์ยังไงบอกไม่ถูกแต่มาชวนผมให้ย้อนกลับไปดูซากนั่นอีกครั้งโดยแกบอกว่าแกต้องการจะเอาสายศีลไปล้อมซากทําพิธีสะกปมันไว้ซะเผื่อว่าถ้ามันจะเคลื่อนไหวตัวได้มันก็จะหมดโอกาสอีกโดยติดอยู่ในวงล้อมของอาคมนั่นเองครั้งแรกผมก็ไม่สนใจแต่ก็ทนการรบเร้าของบุญคำอยู่ไม่ไหว ก็เลยต้องอนุญาตให้บุญคำไปจัดการที่ซากนั้นตามที่แกต้องการโดยผมก็ยังไม่ได้ไปด้วยเพราะอยากจะนอนพักมากกว่าก็อึใจเดียวเท่านั้นแหละครับบุญคําก็แล่นตาเหลือกลับมาหาผมมาบอกผมว่าไอ้ซากอุบาทนั้นมันหายไปซะละไม่ได้นั่งอยู่ที่เดิมของมันไม่รู้มันหายไปได้ยังไงกระพินเล่ามาถึงตอนนี้ทุกคนที่ฟังกันอยู่ก็อุทานขึ้นมาพร้อมๆกันจอมพานยิ้มเปรี่ยมเกรียม กล่าวต่อไปอีกว่าตอนนั้นผมก็เพ่นลุกขึ้นวิ่งไปกระบุนคันอีกครั้งย้อนกลับไปยังตำแหน่งนั้นแล้วก็พบความจริงอย่างนึงว่าซากนั้นหายไปซะแล้วจริงเหลือไว้แต่รอยมีดของผมที่กรีดไว้กับพื้นและก้อนหินทำตำหนิว่ามันเคยนั่งอยู่ตรงนั้นระยะมันก็ห่างกันแค่ไม่เกินสองสามชั่วโมงนับแต่เราสองคนเห็นกันในครั้งแรกนั่นละครับมันก็หมายถึงว่าช่วงระยะเวลานี้แหละ มันได้ลุกขึ้นเดินหนีไปแล้วหนีไปก่อนที่บุญคำจะทันเอาสายสินของแกไปขึงกั้นสะกดไว้ครับพระเจ้าแล้วคุณกระบุญคำคิดยังไงในขณะนั้นน่ะนอกจากเชิดบุตรแล้วอเมริกันทั้งสี่คนถามขึ้นมาเป็นประโยคเดียวกันพร้อมกันราวกันนัดกันไว้ตอนนั้นผมกระบุญคำก็ช่วยกันตรวจหาร่องรอย ว่ามันหายไปได้ยังไงแต่ก็ไม่พบรอยอะไรทั้งนั้นพื้นบริเวณนั้นมันแข็งมากครับเพราะเป็นหินดานเราก็งงกันอยู่ที่นั่นอีกนานแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเก็บเอาปัญหาปวดขอมองกลับมาที่พักเพราะก็ช่วกันเย็บปากปิดเงียบอยู่ตามเคยใช่ไหมอิสเบลพูดเร็วปรืดผมไม่กล้าพูดอะไรกับพวกคุณในเรื่องนี้ครับแลวตกดึกคืนนั่นเองที่ซากุบะท อันเป็นซากใหม่ของมันไรก็ย่องเข้ามาในแคมป์ของเราในเวลาอันหมาะซะด้วยคือคุณก็บังเอิญบังเอิญนอนจับไข้ไม่ได้สติอยู่ด้วยมาลาเรียกำเริบ ม, มันลากลูกหาบของเราไปบิดคอทิ้งซะสองคนแล้วก็ย่องอย่างประสงค์ร้ายเข้ามายัางกระโจมพักนอนของพวกเราบังเอิญฉันเป็นคนตื่นขึ้นมาก่อนและเห็นจักเงาที่มันบังแสงกองไฟจึงเลิกภาคกระโจมออกไปดูแล้วก็ถูกสะกดลืมตัว กำลังจะเดินออกไปหามันอยู่รอมารอบังเอิญพวกเราส่วนใหญ่ตื่นขึ้นแล้วจึงเกิดยิงกันขึ้นมันก็หนีไปใช่ไหมเรื่องมันประสาน ร, รอยเข้ากันได้แล้วระพินไรวันป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดหน้าผากตอบอ่อยๆว่าครับเรื่องของเรื่องมันก็เป็นอย่างที่พวกคุณรู้และเห็นมาแล้วนั่นแหละครับแต่คุณรู้แล้วเห็นมาก่อนเรา เพียงแต่ว่าคุณไม่ยอมบอกเตือนใะห้พวกเรารู้ล่วงหน้าเลยจนเกิดเรื่องราวขึ้นอย่างนั้นคริสติน่าเล่นงานเขาทันทีจอมพรานอึ้งไปครู่ก็สารภาพว่าเรื่องนี้ถ้าจะถือว่ามันเป็นความผิดผมก็ขอยอมรับผิดที่ผมไม่ได้บอกอะไรกับพวกคุณเลยก็เพราะเหตดผลอย่างที่ได้เรียนไว้แล้วนะครับแลวผมก็คาไปไม่ถึง ว่ามันจะบังอาจลอบเข้ามาเล่นงานพวกเราในแคมป์ตอนกลางดึกกระพินการที่คุณไปพบซากมันในครั้งแรกแล้วคุณยังไม่ยอมบอกให้พวกเรารู้โดยเหตุผลที่ว่ามันเราก็ไม่ว่าอะไรคุณหรอกทีนี้สิ่งผิดวิกลที่เกิดขึ้นอย่างมากมายคือตอนที่คุณกระบุนคาย้อนกลับไปดูมันอีกครั้งมันหายไปแล้วนะ่ะจิเป็นสิ่งที่คุณไม่น่าจะปิดบังเราเลย เพราะมันเป็นสัญญาณอันตรายที่บอกชัดนะทำไมทำไมคุณถึงไม่ยอมบอกพวกเราให้รู้บ้างเลยจนกระทั่งเสียชีวิตลูกหาไปถึงสองคนแล้วพวกผมก็เกือบตายแตลีตั้งคำถามเอาชนิดที่รพินหนักใจขีดสุดรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองตกเป็นจำเลยไปซะแล้ว6กสิบเจ็ด ผมขอยอมรับผิดทุกประตูครับในเรื่องนี้รบพินพูดเสียงแหบพระแต่ก็โปรดเห็นใจผมบ้างเถอะครับสมมุติว่าผมบอกความจริงทั้งหมดแก่พวกคุณในวันนั้นก่อนที่จะถึงเวลามันย่องมาในตอนดึกพวกคุณแน่ใจหรือครับว่าจะยอมเชื่อผมในกรณีที่ผมไปพบซากไอ้ผีดิบนั่งแข็งเป็นท่อนไม้อยู่และช่วงไม่กี่ชั่วโมงมันก็ย้ายตัวเองไปซะแล้วอย่างลึกลับ ผมไม่มีพยานหลักฐานใดๆที่จะยืนยันในคำบอกเล่าได้เลยขืนบอกไปก็รังแต่จะถูกพวกคุณหัวเราะเยอะเอาป ล, ปลักแล้วก็จะหาว่าผมปั้นเรื่องมดเท็จขึ้นอีกประการหนึ่งผมก็ไม่ได้ต้องการทำลายขวัญหรือกำลังใจของพวกคุณเลยผมเชื่อตัวเองว่าผมพร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้เสมอแต่ก็โชคร้ายทีต่ตัวเองต้องมานอนป่วยช มันก็เลยถือโอกาสย่องเข้ามาตอนนั้นพอดีทุกคนในกลุ่มนิ่งไปด้วยเหตุผลของเขาซึ่งกล่าออกมาจากใจจริงปราศจากเล่เหลี่ยมใดๆทั้งสิ้นมันก็น่าเห็นใจนะในเหตุผลที่เขาแสดงออกมาอเมริกันอาวุโสกล่าวขึ้นรวมๆกับฝ่ายของตนและตบไหล่ระพินอาระระพินเราจะไม่กล่าวหาหรือต่อว่าอะไรคุณอีก เกี่ยวกับเรื่องที่แล้วมาทีนี้สำคัญว่าอนาคตต่อไปคุณรู้เห็นหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกรุณาณํนมาบอกเล่าหารือกับเราทุกครั้งได้ไหมอย่าปล่อยให้มันเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาซสก่อนครับถ้าพวกคุณแน่ใจว่าพอจะรับฟังได้ก็ตกลงครับเพราะแต่ละเรื่องมันล้วนพิลึกพิลึกทั้งนั้นแหละแล้วถ้าผมอธิบายยังไม่ถูก เพราะตัวเองก็รู้ไปยังไม่ถึงคนที่มายังไม่ได้ก็ขอความการุณาอย่าได้คาดคันให้ผมต้องเดาผิดๆถูกๆ ก, ก็แล้วกันหนทางเราข้างหน้านั้นพวกคุณต้องยอมรับสภาพสเตอร์ครับว่ามันแสนที่จะเสี่ยงต่ออันตรายอันจะมาถึงตัวเราในรูปแบบใดล้วนทายไม่ถูกทั้งสิ้นเกี่ยวกับความลี้ลับของป่าอาถรรพ์หลงสำรุบางขณะพวกเราทุกคนจะเหมือนตกอยู่ในอาการฝันร้าย ในคืนธาตวิปริตแล้วเมื่อผ่านพ้นไปได้แล้วก็จะมานั่งถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นความจริงหรือว่าประสาทของเราได้หลอกหลอนตัวเองไปหรือเปล่าเราต้องควบคุมสติให้ดีและรับรู้กับมันไว้ล่วงหน้ามิฉะนั้นอาจจะเสียสติวิกลจริตไปได้สิ่งที่พวกคุณได้พบมาแล้วเหล่านี้ ถ้าเทียบกับสมัยที่ผมเคยประเชิญมาก่อนมันยังไม่ถึงหนึ่งในร้อยนะครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นเล่าโดยวาจามไม่ได้ต้องให้มาถึงตัวหรือต้องเห็นกระตาทั้งสองของตละคนซะก่อนครับเสียงของระพินเนิบเนิ บ, นบแต่ผู้ฟังทุกคนร้อนร้อ น, อนหนาวหนาวไปตามๆกันนี่ก็แปลว่าเราทั้งหมด กำลังจะก้าวเข้าไปสู่แดนสนธยาที่ไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติยังงั้นเหรอคุณคีพพูดครับผมคิดว่าเคยมีบันทึกไว้บ้างเหมือนกันนะครับโดยจากปากคำบอกเล่าซึ่งฟังเป็นเรื่องนิทานหรือมิฉะนั้นก็บันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณอันไม่เป็นที่เปิดเผยแล้วยังไม่มีการพิสูจน์ ภัยธรรมชาติจากสัตว์ร้ายธรรมดาหรือสภาพของป่าดงดิบไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวใดๆเลยครับแต่ภัยมือที่เกิดจากอำนาจเร้นลับหรือเราจะเรียกว่าเป็นคำสาปของพระผู้เป็นเจ้านี่สิครับมันจะเล่นงานเราอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางขณะการเวลามันก็หมุนกลับนำเอาเราเข้าไปสู่โลกในยุคอดีตที่ผ่านมาแล้วนับเป็นล้านล้านปีครับ เสียงของจอมพรานแหบเหือดไปพอไหลลงอย่างสยดสยองผมเข็ดแล้วเข็ดจริงๆครับถ้าไม่ใช่ความจำเป็นสุดยอดชนิดเลี่ยงไม่ได้ผมจะไม่มีวันเสี่ยงเดินเข้าไปในดงดนแถบนี้อีกเลยครับมองดูตามแผนที่ภูมิศาสตร์หรือนั่งเครื่องบินตรวจ ด, ดูมันก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ถ้าเดินเข้ามาจริงๆ มันก็คนละเรื่องนะครับแต่คุณก็เคยบุกบันผ่านพ้นมันมาได้แล้วนี่ระพินเชิดวุดเพิ่งพูดขึ้นเป็นครั้งแรกเหมือนจะช่วยเป็นกำลังใจให้ครับครับผมเคยผ่านพ้นมันมาได้แล้วด้วยอำนาจของสัจจดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยครับแต่ผมคิดว่าไม่มีใครโชคดีติดติดกันถึงสองครั้งหรอกครับสมมุติว่าคุณเป็นนักขับเครื่องดิน ครั้งแรกเครื่องบินตกคุณรอดชีวิตมาได้ครั้งที่สองถ้ามันตกอีกคุณเชื่อหรอครับว่าคุณจะรอดเหมือนครั้งแรกเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะยิ่งพูดไปก็เหมือนกับเป็นการทำลายขวัญกันเปล่าผมยิ่งพูดความจริงเท่าไหร่พวกคุณก็จะยิ่งเห็นว่าหายนะวิบัติของพวกเรามองเห็นเด่นชัดอยู่เบื้องหน้า มากขึ้นเพียงนั้นอ ะ, อะงั้นเอางี้ดีกว่ายังแมนสตาลีพูดเสียงนิ่มนวลแต่มีกังวานแห่งความมั่นคงเด็ดเดี่ยวริมฝีปากก็ยิ้มละไมอยู่เช่นนั้นพวกเรานะพร้อมแล้วที่จะตายที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ได้คุณเองล่ะคุณพร้อมหรือยังแพนใหญ่หัวเราะอย่างขันขัน ชีวิตพวกคุณมีค่ามากกว่าผมครับผมเองนะก่อนออกเดินทางมาคำนวณแล้วครับว่าถ้าพวกคุณยินดีมาตายได้ผมเองก็ตายได้เหมือนกันภายหลังจากมีทรัพย์มรดกไว้ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผมเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องห่วงกังวลอยู่อีกอ่ะทังนั้นก็ไม่มีปัญหานี่เรามาเล่นเกมกับมรุตยู่ทามัจจุราชกันดีกว่า เพราะถึงยังไงทางด้านผมก็ไม่มีคำว่าถอยหลังกลับยังกว่าจะบรรลุเป้าหมายอย่างที่บอกไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นผมคิดหรือสุภาพสตรีทั้งสองคนนี่รวมทั้งเชิดวุธด้วยใช่ไหมประโยคหลังหัวหน้าคณะหันไปทางนายทหารหนุ่มบุตรชายท่านนายพลเบะปากยิ้มกร่อยๆให้ตายหาเถอะด็อกเตร์สแตนลีย์นี่ถ้าผมรู้ล่วงหน้าส ก, ก่อน ว่าเราจะมาเจออะไรที่มันผิดธรรมชาติสามัญแบบนี้นะย้างสักกี่ร้อยล้านผมก็ไม่มาด้วยหรอกเพราะไม่มีโอกาสกลับไปใช้เงินผมน่าไม่จะนักผจญภัยกระดูกเหล็กมาจากไหนนะแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเป็นวีรบุรุษที่ไรเหตุผลแบบนี้ด้วยคริสติน่าโอบไหลเชิดวุฒไว้เหมือนประคองเด็กเล็ ก, ลกพูดเสียงหวานว่าแต่คุณก็หมดโอกาสช่แล้วละ่ะเชิดวุฒ ยกเว้นแต่ว่าจะตัดสินใจเดินทางกลับไปคนเดียวซึ่งเราทั้งหมดก็ไม่ขัดนะถ้าคุณจะเปลี่ยนใจไม่ไปด้วยเชิดวุฒิชำเลืองมองใบหน้าสวยและรูปร่างงามจนสิ้วใจนั้นอย่างมีความหมายรกระซิบว่าก็ไม่ให้กำลังใจอะไรกันมั่งเลยนี่นะคริสกำลังใจคุณต้องการกำลังใจอะไรวุต หล่อนขมวดคิ้วถามบุตรชายท่านนายพลซึ่งยังอยู่ในวัยคนองและมีอารมณ์คึกราวกะหมาป่าเจาะริมฝีปากกระซิบพริมหูคริสติน่าโดยไม่ ใ, ใครได้ยินประโยคนึงหล่อนฟังอย่างดีแล้วเลิกคิ้วขึ้นนิดหนึง่งมีอาการเหมือนจะยิ้มยิ้มอย่างเวทนาอาจจะมีหวังนะระยะทางข้างหน้ายังมีอีกไกลองุ่นเมื่อสุกงอมเต็มที่แล้ว ก็ย่อมจะร่วงลงแน่ๆสำคัญว่าหมาป่าคอยอ้าปากงับไว้ให้ดีก็แล้วกันกล่าวจบหล่อนก็ผลักต้นคอเขาในลักษณะยาวหัวขมำเซลอลุนไปเบื้องหน้าเชิดวุธทาเป็นอุทานอย่างตกใจแต่ก็มือไวชะมัดแล้วก็เร็วที่สุดด้วยก่อนที่หัวจะทิ่มขมำไป มือข้างหนึ่งเขาก็เหวี่ยงมากระทบเป้ากังเกงด้านหน้าของคริสติน่าเต็มรักเต็มฝ่ามือกลางๆเลยอาการนั้นไม่มีใครทันสังเกตเห็นนอกจากรพินผู้เดินเยื้องไปทางด้านหน้าเล็กน้อยคริสติน่าหน้าแดงเดาไม่ถูกว่าโกรธหรืออายแต่หล่อนก็ไม่พูดอะไรนอกจากค่อยๆชายตาชำเลืองมองดูพรานใหญ่ทว่ารพินก็ทาเป็นไม่เห็นซะ มิชอบใจลวดลายของสหายรุ่นน้องว่าไม่เสียแรงเกิดมาเป็นชายไทยชาติเจ้าชูหมาหยอยไก่มันรื่อไปเท่าที่จะมีโอกาสอิสเบนตามปกติแล้วเป็นคนไม่อีนางขังขอบหรือคิดอะไรมากนะักเช้าเห็นการเดินทางวันนี้หล่อนค่อนข้างครึมและมีอาการคิดมากทีเดียวไม่พูดถ้าไม่จำเป็น และระหว่างที่ใครต่อใครพูดคุยสนทนาอยู่กระจอมาคุเทศนั้นหล่อนเป็นฝ่ายฟังซะมากกว่าเข้าหน้าสอให้เห็นชัดถึงความวิตกหวาดกลัวหล่อนอาจจะเด็กเกินไปหน่อยก็ได้สำหรับคณะทั้งหมดนี่เราสรุปแน่ว่ากำลังจะเดินทางไปสู่ความตายกันนั้นเละมันเรื่องอะไรกันแม่ผมแดงพึมพำเหมือนจะรำพึงกับตนเอง หัวหน้าคณะของหล่อนไม่ได้ยินแต่รพินที่คอยสังเกตจับกิริยานายจ้างของเขาทุกคนอยู่สัมผัสได้ก็บังเกิดความสมเพชขึ้นมีอะไรหลายๆอย่างในตัวเบนที่เขาไม่ชอบแต่ก็มีอยู่หลายๆอย่างเหมือนกันที่ทําให้รู้สึกว่าสนิทใจและสงสารอาจเป็นได้ในกรณีที่เบนเป็นคนเปิดเผยกว่าคริสติน่าซึ่งเล่เหลี่ยมชั้นเชิงเหนือกว่ามาก ระพินเลี่ยงเดินมาชิดหล่อนก็บังเอิญพอดีที่แม่ผมแดงสะดุดรากไม้เสียหลักระพินจึงคว้าเอวรับไว้ก่อนที่จะวิ่งหัวปักหรือลุ่นๆ ล, ล, ล, ล, ล, ลงไปตามหนทางอันเท่ลาดชันไปสู่ดงเบื้องหลังเบร์เคยได้ยินคำพูดประโยคนี้ไหมขนกล้าตายหนเดียวขนขาดตายหลายหน เอาแล้วมันแตกต่างอะไรกันล่ะคุณใ น, นเมื่ามันก็ตายเหมือนกันเนี่นถึงยังไงฉันก็ยังไม่อยากจะตายหรอกถ้าจะมีอะไรที่น่ารักอยู่บ้างก็คือสิ่งนี้แหละคุณเป็นคนที่พูดตรงดีนะ่ะเบีนอกจากวิชาที่เรียนแล้วฉันไม่ใช่คนฉลาดอะไรนักหรอกนลองอธิบายสิกระพินที่ว่าคนกล้าตายหนเดียวแต่คนขาด ตายได้หลายหนนะมันหมายความว่าไงนี่บฟังนะคนกล้านะ่ะเมื่อถึงวาระที่เขาจะต้องตายเขาก็ตายนั่นคือการตายเพียงหนเดียวแต่คนที่ขี้ขาดขี้กลัวบางทียังไม่ถึงวาระที่จะต้องต้องตายจริงๆเลยถ้าว่าความขาดหวาดกลัวจนถึงขีดสุดในเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า ก็ทําให้หมดสิ้นสติหมดความควบคุมเป็นตัวของตัวเองอย่างนั้นก็เรียกว่าตายเหมือนกันตายทั้งเป็นยังไงแล้วถ้ายังตัวอยู่เช่นนั้นก็มีความรู้สึกเหมือนตัวเองตายไปทุกทีนั่นแหละไม่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นก็ถึงได้พูดไว้ไงว่าคนกล้าตายหนเดียวคือตายจริงๆตายแบบไม่หายใจต่อไป แต่คนขาดนะตายได้หลายหนเป็นการตายแบบตัวเองรู้สึกไปเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทารุณต่อจิตใจของตนเองมากเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเรามาตายกันขนเดียวโดยปรับจิตปรับใจของเราให้เป็นคนกล้าดีกว่ากล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างไงอิซาเบลยิ้มฝืนๆพูดเบาที่สุดว่า รพิฉันพยายามจะทําทตามที่คุณบอกนะแต่เกิดอะไรขึ้นคุณอย่าทิ้งฉันนะรับรองครับเบลถ้าเกิดอะไรขึ้นผมตายก่อนคุณและจะตายก่อนพวกคุณทุกคนครับอย่าถือโทษโกรธฉันถ้าฉันเคยทําอะไรคุณไม่สบอารมณ์นะระพิน ระพินพาซึ่งคุณทำอะไรล่ะผมยังไม่เห็นคุณทำอะไรที่ไม่สุบอารมณ์ผมเลยนี่ผมเจ็บ่ายคุณก็ช่วยรักษาให้ก็ก็ก็ฉันทำให้คุณต้องอื ม, อมเบลออ้อมแอมในลำคอแล้วชงะงักค้างไปแค่นั้นพรานใหญ่นึกขึ้นมาได้กระดือกน้ำลายลงคอฝึดฝืด ไมเป็นไรคราวหลังคุณก็อย่าทําอย่างนั้นอีกก็แล้วกันคุณเป็นคนมีเสน่ห์ในทางเพศมากนะเบลแต่ผมไม่ต้องการให้เกิดบาปขึ้นกระใจตัวเองอโดยศรีระ ว, วิทยาแล้วผมยอมรับว่าผมต้องการแต่โดยทางกิตวิทยาแล้วนะ่ะผมปวดร้าวทรมานใจตัวเองมากครับกระพิน เพราะคุณเอาหัวใจของผู้หญิงคนที่คุณรักเทิดทูลใส่ไว้ในหัวใจคุณตลอดเวลานี่นะถูกต้องครับเบรผมยอมรับในข้อนั้นครับแต่ฉันก็ไม่ได้แย่งคุณมาจากเธอนะครับผมเข้าใจความรู้สึกของคุณครับเบรแต่คุณก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของผมด้วยนะครับคุณอาจเห็นเป็นเรื่องไร้สาระน่ารบขัน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 ซึ่งผมจะตายอย่างมีความสุขที่สุดครับแม้ว่าเธอผู้นั้นจะไม่ได้มารู้มาเห็นด้วยอย่างนั้นเหรอพระพิมครับแต่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องรู้เห็นและส่งสัญญาณให้เธอทราบได้ในความมั่นคงของหัวใจผมผมถือเป็นเกียรติของตัวเองด้วยครับพระพิมคุณเป็นผู้ชายที่น่ารัก แต่ล่าสมัยเหลือเกินฉันชอบคุณในหลายๆอย่างนะแต่ฉันเสน่หาคุณไม่ลงหรอกคุณน่ะเป็นคนคุยที่สุดคนหนึ่งที่ฉันไม่คิดว่าจะมีอยู่ในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ของคนที่มีการศึกษาแล้วถ้าใจฉันแต่งงานกับคุณแถมไม่สักหนึ่งล้านดอลฉันก็ไม่รับประทานคนอะไร ไม่ยอมเปิดเสื้อผ้าให้กับตัวเองบ้างเลยทั้งๆ ท, ที่อยู่ในสิ่งวแวดล้อมที่อำนวยให้แล้วความคิดอ่านในเรื่องนี้นี่คุณแคบมากจริงๆครับเบร์สำหรับผมถ้าใช้แต่งานอยู่กินกับคุณเดียวว่าแต่หนึ่งล้านดอลเลยครับต่อให้ร้อยล้านผมก็ไม่รับประทานเหมือนกันทำไมผมไม่ชอบให้ปัญญาผม หรือคนที่ผมคิดว่าจะเอามาเป็นพัญญามีอิสระเสรีภาพในด้านเซ็กส์กับใครก็ได้สุดแต่เธอจะพอใจเพียงแค่คลี่คลายอารมณ์เพียงชั่วขณะผมบอกแล้วไงครับผมหูโบราณครับคราวนี้อิสเบลหัวเราะชอบใจออกมาได้ทั้งสองเดินรั้งท้ายขบวนทำให้คนอื่นไม่ได้ยินคำโต้อตอบที่ค่อนข้างจะเบานั้น คุยกัคุณวันนี้นี่มันดีพิลึกทําให้ลืมคิดถึงความกลัวอะไรต่ออะไรไปได้งั้นขอสัมภาษณ์ต่อสักนิดอนะถ้าไม่รังเกียจก็ลองดูครับผมยินดีครับที่จะทำให้คุณมีความด่าเริงในการพูดคุยแล้วก็หายวิตกลงได้รวพินคุณเป็นอย่างนี้มานานแล้วเหรอไม่หครับก่อนนี้ผมก็สับสนไม่เลือกอยู่เหมือนกัน สุดใจโอกผมจะมาเริ่มต้นตั้งผมเพิ่งมาเริ่มต้นตั้งสัตย์สัญญาก็ต่อเมื่อผมพบเธอผู้นั้นแล้วนะครับแสดงว่าเธอเป็นคนเห็นแก่ตัวมากถ้าขอร้องหรือบังคับคุณไว้อย่างนั้นคุณเข้าใจผิดครับเบลเธอไม่เคยขอร้องผมในเรื่องนี้เลยครับมันเป็นสัจจะที่ผมให้กับตัวเองต่างหากแล้วก็ไม่ได้บอกกับเธอด้วย คุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะครับผลร้ายมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะผมหลวมตัวมีเพศสัมพันธ์กับคุณท่านนั้นแหละคืนเดียวกันนั่นแหละผมเกือบตายเพราะภัยจากศัตรูลึกลับของเราบาปหินทันตาเลยมีความสุขเพลิดเพลินกับคุณเพียงแค่ยี่สิบสามสิบนาทีเท่านั้นต้องนอนสลบสะทั้งคืนถึงขั้นกระอักมาเป็นเลือดไม่มีอะไรน่าจะเกี่ยวสักนิดนะคุณ มันเป็นเหตุการ์ประจบเหมาะตั้งหากเล่าเกี่ยวสิครับคุณคิดมากไปเองถือโชคถือลางไม่เข้าเรื่องนะคุณนะเบนครับถ้าผมไม่ใช่คนที่ถือโชคถือลาง่านนี้ผมพาพวกคุณไปตายหมดแล้วรวมทั้งตัวผมด้วยครับอตลาดดีคุณนะ อยู่ไม่อยู่ก็สร้างเงื่อนไขหรือกำแพงขวางกั้นร่างกายจิตใจของตัวเองไว้ในเรื่องแบบนี้ฉันไม่เข้าใจคุณเลยครับอธิบายยังไงคนที่มีทัศนะคติอย่างคุณก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกครับเพราะฉะนั้นเราหยุดพูดเรื่องนี้ดีกว่าครับนี่เมื่อคืนนี้คุณไม่มีอะไรกระคริตเลยเหรอหล่อนชายตาไม่มีครับ ใจเชื่อก็แล้วแต่สิครับมีอยู่สองคนเท่านั้นที่รู้ดีนอกจากสวรรค์หรือนรกแล้วก็คือตัวเราเองทั้งคู่คือคริสกับผมคุณสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันคุณก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าคริสทําไม่สนเหมือนอย่างคุณก็เพราะเป็นเพื่อนสนิทกันดีอสิฉันถึงไม่ค่อยเชื่อไงหลังยิ้มเยอะหมายความว่าไงคุณ กพินคุณยอมรับไหมว่าคริสเป็นเพื่อนฉันมาก่อนฉันรู้นิสัยใจคอแก่นแท้ดีที่สุดคุณน่ะเพิ่งจะมารู้จักเขาภายหลังซึ่งก็เป็นการรู้จักกันแค่เปลือกเท่านั้นใช่ครับข้อนี้ผมยอมรับครับอ่ะแต่เช่นนั้นก็ขอให้รู้ตัวไว้ด้วยเถอะระวังไว้ดีนั่ น, นแหละแม่เสียร้ายทีเดียวในเรื่องนี้ ถ้าคุณรอาตัวไปได้เมื่อคืนก็แปลว่าเขาอ่อยเยื่อให้คุณชะล่าใจก่อนถ้าเผือเมื่อไหร่ก็เสร็จแล้วก็เสร็จจริงๆอย่างชนิดถอนไม่หลุดด้วยคุณเฮียกเวนแต่เขาจะปล่อยคุณเองสำหรับฉันถ้ามันเรื่องเล็กไม่มีความหมายหรอกมหาเศรษฐีทั้งยุโรปซารัดและอาหรับหัวปากหัวปั๊มกับแม่นี่มันนับรายไม่ทวนแนละ ขนาดบังคับไปคลานสี่ตีนเข้ามาเลียให้เหมือนสุ น, นักเลยแต่แม่นี่นี่ไม่เอาใครจริงสักคนเขาเป็นคนเป็นโรคชอบล่าผู้ชายประเภททำเป็นหญิงไว้ตัวผู้ชายที่มีชื่อเสียงพอได้แล้วก็สลัดทิง้งใครติดใจทำตื้ออยู่แม่ก็ฆ่าซะหรือมิฉะนั้นก็หาทางทำให้ชิบหายวายวอดไปเลยคริสเป็นอาจญากรทางการวิปริตนะ ก่อนจะมาทำงานครั้งนี้ถูกศาลสูงตัดสินจำคุกยี่สิบปีฐานค่าผู้ชายไม่ต่ำกว่าสามสี่คนมาแล้วโดยพฤติการปแปลกๆโดยพยานหลักฐานไม่ปรากฏชัดเพียงแต่ลูกขุนเชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นเพราะเกิดเรื่องสำคัญในงานใหญ่คอมพิวเตอร์ก็ดีชื่อเขาออกมาเพื่อมาทำงานครั้งนี้เหมือนนกับชื่อคุณที่คอมพิวเตอร์บอกเหมือนกัน นโยบายรับทางการเมืองนะย่อมเหนือกฎหมายคุณรู้ปะ่ะชื่อเดิมของเขาไลลาอามิเต่ลูกครึ่งลูกครึ่งตุรกีผสมอเมริกันเขาไม่ใช่คนอเมริกันแท้นะชื่อนะ่ยยังอยู่ในคุกแต่ตัวนะ่ะถูกส่งมาทางานที่นี่ในชื่อใหม่ที่คุณรู้จักจะบอกให้เอาบุญโระพินไพรวันแทบทังหนักบลึงรึงเพลิะ เบร์คุณล้อผมเล่นใช่ไหมอ่ะไหนคุณว่าคุณชอบพูดตรงๆยังไงฉันก็บอกก็คุณตรงๆอย่างงี้แหละเป็นไงเกินความคาดฝันของคุณมากใช่ไหมนี่นี่คริสไม่ใช่นักเคมีฟิสิกส์หรอกแล้ ว, ลวคุณใช่เขาเป็นนักเคมีฟิสิกส์เมือนดับหนึ่งทีเดียวแต่มันไม่เกี่ยวกันนี่ เรื่องส่วนตัวของเขาที่ฉันบอกคุณสมองเขาน่าเป็นอันดับหนึ่งเลยแหละแล้วก็เนื่องมาจากไอคสูงมากเกินไปนี่เองชีวิตเขามันถึงได้พิสดาร น, น่ากลัวมากอะไรก็ตามที่เขาอาจจะเคยเล่าให้คุณฟังมาแล้วนมันเรื่องโกหกทั้งเพย์คอยรู้ไว้ด้วยรู้แล้วก็เก็บเงียบเฉยๆไว้ด้วยนะอย่าไปบอกล่ะว่าฉันบอกแบ็กกราวน์ของค่อยคุณฟัง ว่เดี๋ยวเขาฆ่าฉันขนาดอาจารย์ด็อเตอร์สแตนลีย์เนี่ยยังกลัวเขาเลยคุณจะนึกนะว่าคุณจะหนีเงื้อมือเขาพ้นนั่นแหละเขาเต็มไพรเลยเทีหลักดูดทั้งเลือดดูดทั้งสเปิร์มแล้วก็ชอบฆ่าสาดิสตัวร้ายเพียงแต่ไม่มีใครรู้เท่านั้นจอมพรานยืนนิ่งอยู่กับที่โดยไม่รู้ตัวก้าวขาไม่ออก ในขณะที่พักพวกทุกคนยังเดินกันไปเบื้องหน้าเขาตกใจจริงๆตกใจซะยิ่งกว่าเห็นมันไรหรือไอ้งาดำโผพวดพลาดออกมาให้เห็นในยามนี้ซะอีกถ้ามันเกิดโผลูออกมาสำหรับเรื่องที่ได้ฟังมานั้นมันก็มีอยู่สองนัยยะเท่านั้นอย่างแรกคืออิสเบลมูกโกหกทั้งเรื่องเพื่อหวังผลอะไรสักอย่าง หรืม่ฉะนนั้นมันก็เป็นความจริงอันซ่อนเร้นที่เขาไม่เคยฉเฉลียวคิดมาก่อนเลยเกี่ยวกับประวัติแม่ผมทองผู้นี้รพินสังเกตมานานแล้วด้วยความฉงนเร้นลึกคริสติน่าไม่น่าจะเป็นอเมริกันแท้แม้จะผมทองตาสีฟ้าผิวของหล่อนค่อนข้างละเอียดและคาวหน้ากับกิริยาออกไปในทางตะวันออกครึ่งต่อครึ่งจะดูว่เป็นฝรั่งก็ได้ จะดูเป็นแขกเปอร์เซียหรือตุรกีก็ดูได้เหมือนกันในสายตาพินิจกันอย่างลึกซึ้งและโดยเฉพาะแววตาคมลึกคู่นั้นมันแฝงแววประหลาดที่เขาอ่านไม่ออกบัด น, นั้นเองเจ้าตัวที่ถูกกระซิบเ อ, อ่ยถึงก็ทำท่าเหมือนจะมีอาการคลางแคลงบางอย่างหยุดเหลียวกลับมามองขมิงอัดฟันบุรีที่คีบอยู่ในมือลึกแล้วก้าวเนิบเนิบ เดินสวนมายังตำแหน่งที่เขาและอิสเบียนยืนอยู่ทันทีแม่ผมแดงละล่ำละลักบอกเขาว่าตายละมา้วฉันไปก่อนดีกว่าหุบปากนะอย่าพูดอะไรอย่าลืมที่ฉันสั่งนะแล้วอิสเบีนก็พลักจากเขารีบเดินไปในทันทีสวนทางกับคริสติน่าผู้กำลังเดินย้อนกลับมานคว้าแขนอิสเบีนหมักกระชากจนเซเข้ามาหา ด้วยพลังที่แรงผิดหญิงสามันสีหน้าแววตาดูจะผิดไปจากคริสติน่าที่เขาเคยรู้จักมันดูดุดันเหี่ยมเกรียมยังไงบอกไม่ถูกแม่ผมแดงสายหน้าปฏิเสธมีการพูดอะไรกันคำสองคำที่ระพินไม่ได้ยินพระระยะห่างออกไปและเป็นการพูดกันอย่างแผ่วเบาแล้วทันทีนั่นเองเขาก็เห็นกับตาคริสติน่าสะบัดหลังมือตบเบนชัด ระเดนทลาร่อนไปในทันทีเบนไม่มีการโต้อตอบอะไรทั้งสิ้นไม่มีเสียงร้องแต่เพนก็ไปรวมกับพรรคพวกอย่างลนลานซึ่งก็บังเอิญเหลือเกินเชิดบุตรแตนลีและคีธที่เดินคุยกันเป็นหมู่ไปไม่ทันได้หันมาเห็นเลยบัดนี้คริสติน่าเดินกล้เขาเข้ามาด้วยสีหน้าที่ขึงเยื่อและผิดแผกไปจากทุกครั้ง ในลักษณะของสตรีที่น่าจะชื่อว่าไลลาอามิเตตามที่เบรนกระซิปบอกมากกว่าคริสตินากรูบิลระษาสัมผัสบอกระพินเช่นนั้นระพินยังยืนนิ่งเหมือนถูกสะกดด้วยดวงตาสีฟ้าวาววามคู่นั้นหลันตรงเข้ามาหาเขาใกล้เข้ามาเป็นลำดับที่สุดคริสตินา หรือไลล่าอามิเตก็มายืนอยู่เบื้องหน้าเขาห่างกันแค่เอื้อง่งในระหว่างสองฝากฝั่งทางอันเต็มไปด้วยซุมไม้และโขดหินของภูมิประเทศที่เดินผ่านขาบวนเบื้องหน้าก็เดินกันไปตามปกติไม่มีใครฉเฉลียวคิดที่จะหันมาดูเลยคริสติน่าปรับความรู้สึกหรือมิฉะนั้นก็ซ่อนอารมณ์ได้ดีเยี่ยมที่สุด ไม่ผิดอะไรกับ น, นักแสดงเพราะชั่วโมงเกินเสี้ยววินาทีเท่านั้นที่จอมพรานมองเห็นคาวของสีหน้าและแววตาอันแผลกไปจากเคยแต่บัดนี้กลับมาเป็นปกติเช่นเดิมของแม่สาวงามเจ้าของนามคริสตินะ่าแล้วยิ้มให้เขาน้อยๆส่วนเขาแน่ละสาหรับสีหน้าคนหน้าหินอย่างเขามันตายด้านมาแต่กาเนิด ต่อให้นั ก, กจิตศาสตร์คนไหนในโลกก็ค้นหาอะไรไม่ได้ดังนั้นท่านหล่อนจะค้นหาวีแวลพิรุธก็อย่ามาค้นซะให้ยากไม่ได้แอมแน่นอนเบนบอกอะไรกับคุณรัผิดแม่ผมท้องถามเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยก็คุยกันในเรื่องที่เรากำลังประชินหน้ากันอยู่เบนก็ ข, ขันไม่ค่อยจะดีนัก คริสติน่ายิ้มอีกครั้งคราวนี้เห็นฟันเป็นระเบียบเวลาอยู่ในสภาพปกติเริงฝีปากของคริสตินาบางเฉียบจุม๋มจิ๋มน่ารักมากแต่ยามที่หล่อนยิ้มเต็มที่มันขยายกว้างออกไปได้อย่างอัศจรรย์นี่คุณถ้าเบนบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับตัวฉันที่มันฟังแล้วพิลึกออกไปจงรู้ไว้ด้วยนะ ว่านางเด็กคนนั้นมันโกหกหมดเท็ทั้งเรื่องรพินทาเป็นกระตุกหัวคิค้วนิดหนึ่งเอ๊ะอะไรผมไม่เข้าใจคบพูดของคุณน่ะคริสหมายความว่าไงเบนไม่ได้พูดอะไรกับผมเกี่ยวพันไปถึงตัวคุณนี่แล้วคุณคิดว่าเบนผู้ไรนั้นก็ช่างครับเอาว่าฉันได้บอกกับคุณไว้แค่นี้แหละคุณเองก็เห็นอยู่แล้วนี่เด็กคนนั้นน่ะลุกลก ซ้าซ้อนแล้วอาการทางประสาทไม่สู้จะดีนะทั้งๆที่ตัวเองก็เป็นแพทย์บางทีนึกจะพูดอะไรก็พูดเรื่อยเปื่อยทรงเดชหาสาระไม่ได้รครับผมรู้จักเบนในข้อนั้นครับดูง่ายจะตายไปเห็นครั้งแรกก็ทายนิสัยใจคอกันออกแล้วหืนี่ฉัน ค, คิดว่าคุณยังพูดไม่จบประโยคนะระพินอย่าค้างอยู่สิ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 คุณได้มีอะไรอันเป็นต้นเหตุให้ผมต้องคิดว่าจะพูดเช่นนั้นด้วยล่ะคริสคุณอาจเห็นว่าฉันตกเบนเมื่อสักครู่นี้แล้ว อ, อยากจะถามว่าทําไมนั่นสิคุณก็ไม่ควรจะทําอะไรที่มันดูน่ากลัวอย่างนั้นเลยนะเบนะก็ เ, เด็กกว่าคุณอ่อนแอกว่าคุณในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นวัยวุฒิคุณวุฒิความช่ําชอง ประสบการณ์ในชีวิตก็ว่าจะไม่ถามนี่เหมือนกันแต่เมื่อคุณพูดเป็นเชิงออกตัวแบบนี้ผมก็จะถามลนะเมื่อกี้นะคุณตกเบนทำไมคริสติน่าหัวรอหึงในลำคอปล่อยก้นบุรีในมือลงกับพื้นที่เกลื่อนใบไม้แล้วเหยียบดับซะฉันรู้ว่าคุณเห็นพระจับตามองอยู่เอาจะบอกให้ ฉันเห็นคุณสองคนน่ะเดินอยู่รังท้ายขบวนก็หันกลับมาดูความจริงก็เป็นห่วงเบนนั่นแหละเขาก็รีบเดินผ่าจากคุณมาพรอสวนกับฉันฉันจับแขนเขาและถามธรรมดาว่าปรึกษาหารือหรือคุยอะไรกันเขากลับพูดใส่หน้าฉันว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยฉันมีสัมพันธ์อะไรกับคุณใช้คาพูดหยาบคายกับฉันมากทั้งๆ ท, ที่โดยแท้จริงแล้วเราไม่มีอะไรกันเลย ใช่ไหมแล้วคุณก็ไม่ได้คิดที่จะมาเกี่ยวพันกับฉันสักนิดนึงแล้วนั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องสั่งสอนกันมั่งหรอกเลยสาหรับเด็กปากเปราะปากพล่อยไม่เข้าเรื่องอย่างนั้นคุณโกหกจอมพานพูดสั้นและเน้นช้าอ่ะเมื่อไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่คุณนี่คริสภาพที่ผมเห็นไม่หยกหยกนี่ ทำให้ผมรู้อะไรขึ้นเองบางอย่างโดยไม่รู้มาก่อนนะคุณอะไรก็โดยท่าแทงไงคุณเป็นคนดุดันเยี้ยมเกรียมน่ากลัวมากและทุกคนในฝ่ายคุณยกเว้นเชิดบุผู้ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเขากลัวคุณมากสำหรับเบลไม่ต้องพูดถึงหรอกกลัวจนลานเลยเมื่อคุณเปลี่ยนบุคลิกไปอีกอย่างผมหมายถึงบุคลิกอันแท้จริง ที่ซ่อนเร้นไว้ภายใต้เปลือกผิวนอกอันเยือกเย็นนุ่มนวลแล้วก่อไปด้วยความการุณานี่คุณเกลียดและกลัวฉันขึ้นมาแล้วสิกระพินภายหลังจากที่คุยอะไรกับเบลเมื่อกี้นี้จอมพรานยิ้มกรานมีอะไรที่ผมจะต้องเกลียดรือกลัวคุณไหนลองบอกมาสิแม้จะฉลาดซักปานไหน คริสติน่าหรือไลล่าชักจะจำหนดและรู้สึกตัวเองว่าได้พลาดต่อถ้อยคำออกไปละหล่อนอึ้งไปวิตตาคุณเป็นคนเก็บความรู้สึกได้เยี่ยมยอดที่สุดเลยนะภาษาไทยในทางศาสนานะเขาเรียกว่าขันติและอุเบกขาคือความอดทนและวางเฉยผมเป็นคนประเภท ฝ, ฝึกไว้จนเคยชินละ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นต่อให้สิ่งที่เผชิญหน้าอยู่มันจะร้ายกาศลึกลับหรือหน้าสื่อผงกลัวสักเพียงไหน